วันนี้มาขึ้นปสุระสุตตานิเทศที่แปดะนะเล่มหกสิบห้าหน้าเจ็ดร้อยสมสิบห้าก็สมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีพวกนักโตวาทะเนี่ยไปเที่ยวโตวาทะกับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยครอย่างเนี้ยปสุระประสุระปริภาชกก็เหมือนกันเขาก็ไปโตวาทะกับพระพุทธเจ้า ที่พระองค์แสดงคำว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมนี้เท่านั้นไม่กล่าวความหมดจดวิเศษในธรรมะเหล่าอื่นก็คือใครรับที่ได้นะก็ถือว่าับที่ตัวเองนี่แหละจะทำให้บริสุทธิ์ได้รับทีอื่นทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้หรอกนั่นยืนยันในรัฐทีหรือข้อปฏิบัติของตัวเอง อาศัยสิ่งใดแล้วกล่าวสิ่งนั้นว่างามในเพราะทิฏฐิของตนนั้นสมณพราหมณ์เป็นอันมากเป็นผู้ตั้งมั่นในสัจจะเฉพาะอย่า ง, น, งนั่นแหละคือถ้ายึดถือสิ่งใดก็สิ่งนั้นแหละสวยที่สุดดีที่สุดงามที่สุดเหมือนกันก็เพราะยึดมั่นในทิฏฐิอ่ะนะก็ตั้งมั่นอยู่ในทิฏฐิก็ยึดไปคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างภาษาลิบุตรท่านนิเทศว่าคําว่าสมณพราหมณ์ ย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมะนี say, a a atan, in ้เท่านั si ้นมีความว่าสมณะพราหมณ์ทั an, ้งหลายย่อมกล่าวบอกพูดแสดงแถลงซึ่งความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบในธรรมะนี้เท่านั้นคำว่าธรรมะคือทิฏฐินี้เท่านั้นนะในลัทธินี้เท่านั้นเหมือนกันคือย่อมบอกกล่าวพูดแสดงแถลงซึ่งความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบ ความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าก็เมื่อยึดถือรัที่แบบนี้เขาก็ปฏิเสธรัฐที่อื่นทั้งหมด น, นะพวกนี้อยู่ในกลุ่มอันตะคาหิกะทิฐินะคือยึดถือว่ายึดเอาเป็นที่สุดนะนะเป็นกลุ่มที่ยึดแล้วก็ปฏิเสธอย่างอื่นทั้งหมดย่อมกล่าวบอกพูดแสดงแถลงซึ่งความหมดจด ความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบว่าโลกไม่เที่ยงอีกละที่หนึ่งก็มาคานอีกลัที่หนึ่งบอกว่าโลกมีที่สุดอีกละที่หนึ่งบอกว่าโลกไม่มีที่สุดอีกละที่หนึ่งก็บอกว่าชีพก็อันนั้นสิริรัก็อันนั้นอีกลัที่หนึ่งก็บอกชีพอันอื่นสรีระกก็อันอื่นอีกลัที่หนึ่งก็บอกว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกอีกละที่หนึ่งก็บอกว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีก อีกละที่หนึ่งก็บอกว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีอีกละที่สุดท้ายะนะพวกดินก็บอกว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกก็หาไม่ได้ไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยนะทั้งสิบละที่ก็ปฏิเสธไปคนละอย่างคนละอย่างเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมะนี้เท่านั้นนะนะถือเอาเฉพาะอยู่ในลัที่ของตัวเอง ไม่กล่าวความหมดจดในธรรมะเราอื่นปฏิเสธหมดแว่าลัที่อื่นเนี่ยทาให้บริสุทธิ์ไม่ได้เห็นไหมแลว้วก็สำนักอื่นช่วยให้เราบรรลุไม่ได้ช่วยให้เราบรรลุไม่ได้พวกนี้นก็ปฏิเสธรัตที่อื่นทั้งหมดมีความว่าสมณะพราม์ทั้งหลายย่อมทิ้งทอดทิ้งละทิ้งวาทะอื่นทั้งหมดเวน้นศาสดาธรรมะที่ศาสดากล่าวคณะทิฏฐิปฏิปทามรคของตน นะอะไรที่มันนอกของเรามันไม่ดีสักอย่างมันก็ย่อมกล่าวบอกพูดแสดงแถลงอย่างนี้ว่ า, าศาสดานั้นน่ะคือลทัทธิอื่นน่ะไม่ใช่สัพพันญูธรรมะไม่เป็นธรรมะอันาศาสดานั้นกล่าวดีแล้วคณะสงฆ์ไม่เป็นผู้ปฏิบัติดีทิฏไม่ใช่ทิฏเจริญปฏิปทาไม่เป็นปฏิปทาอันาศาสดาบัญญัติดีแล้วมัจไม่เป็นธรรมะนําออกจากทุกข์มันข้อปฏิบัตินะถ้าไปเจริญตามลทัทธินั้นน่ะ บรรลุไม่ได้หรอกความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบย่อมไม่มีในธรรมะนั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่หมดจดไม่หมดจดวิเศษไม่หมดจดรอบไม่พ้นไม่พ้นวิเศษไม่พ้นรอบในเพราะธรรมะทั้งหลายนั้นอ่ะคือย่อมเป็นผู้เลวเลวทรามต่ำช้าสกปรกต่ำต้อยฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่กล่าวความหมดจดวิเศษในธรรมะเหล่าอึด ก็ปฏิเสธมานะสำนักอื่นค่ายอื่นรัที่อื่นทิฏฐิอื่นทำให้บรรลุไม่ได้หรอกจะบรรลุได้ก็ศาสนานี้เท่านั้นแหละนะรัที่ของตัวเองนะเพราะว่าแต่รับที่รัที่นี้ก็ยืนยันว่าตัวเองทั้งนั้นนะ่อาศัยสิ่งใดแล้วกล่าวสิ่งนั้นว่างามในเพราะทิฐิของตนนั้นนะคำว่าอาศัยสิ่งใดก็คืออาศัยความดีพวพันติดใจน้อมใจถึง คำว่าสิ่งใดก็คือศาสนาธรรมะที่ศาสดากล่าวคณะสงฆ์ทิฏฐิปฏิปทามักสูตรนี้เป็นสูตรที่กล่าวในสมัยพุทธกาลซึ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยนะละทัทธิเนี่ยไม่รู้กี่พันกี่ร้อยลทัทธิเนี่ยนะอันแต่ละละทัทธิก็ยืนยันในหลักการยืนยันในทิฏฐิตัวเองแม้กระทั่งสมัยนั้นเนี่ยก็มีผู้ปฏิญาณว่าเข้าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เจ็ดท่านด้วยกันยครูทั้งหกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็แต่ละค่ายแต่ละค่ายก็ยึดถือว่า ของเขาเนี่ยอาจารย์ของเขาศาสดาของเขาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าที่นีในบรรดาลัทธิทั้งหมดเหล่านั้นแต่ละลัทธิก็ปฏิเสธกันนะลัทธิอื่นไม่ใช่รอกมันลัทธิชั้นเท่านั้นแหละที่อื่นไม่ใช่เพรานั้นคำว่ากล่าวสิ่งนั้นว่างามคือกล่าวสิ่งนั้นว่าดีกล่าวว่าเป็นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นนักปราชญ์กล่าวว่าเป็นยานกล่าวว่าเป็นเหตุ กล่าวว่าเป็นลักษณะกล่าวว่าเป็นกรณะกล่าวว่าเป็นฐานะโดยลัทธิของตนนัะเอาแต่ลัทธิของตัวเองนั้นนั่นนัเอาแต่ความเห็นของตัวเองไม่ต้องการเหตุผลไม่ต้องการคําอธิบายไม่ต้องการคําชี้แจงทั้งนั้นยึดมั่นถือมั่นเแค่ว่าคําว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากเป็นผู้ตั้งมั่นในสัจจะเฉพาะอย่างนว่นนะมา ท, ทุกลัทธิอันนัก็ยึดถือเป็นของตนของตน สมณพรภารมเป็นอันมากตั้งมั่นอยู่เฉพาะพวพันติดใจน้อมใจไปว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเนะมันปฏิเสธอ่านะหายใครที่มีความเห็นนอกจากนี้ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละฝังพวกบอกโลกไม่เที่ยงสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าตัวที่สองเขบอกว่าโลกมีที่สุดบอกว่าเอาโลกไม่มีที่สุดนะฮะมนสรุปว่าทั้งสิบลัทธิเหล่านี้เขาก็แตกแยกกันถกเถียงกันปฏิเสธกัน ก็ยืนยันว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นเปล่าเพรา ะ, ะนั้นคถาโดยสรุปว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมะคือลัทธินี้เท่านั้นไม่กล่าวความหมดจดในธรรมะคือลัทธิอื่นอาศัยสิ่งใดแล้วก็กล่าวสิ่งนั้นว่างามอาศัยข้ออาศัยศาสนาอาศัยศาสนาไหนก็ถือว่ า, าศาสนานั่นแหละดีที่สุด ก็ในเพราะทิฏฐิของตัวเองนั่นแหละสมณพราหมณ์เป็นอันมากเป็นผู้ตั้งมั่นในสัจจะเฉพาะอย่างนะก็ยึดถือไปคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างไปสมณพราหมณ์เหล่านั้นใครวาทะเข้าไปสู่บริษัทเป็นคู่ปรับย่อมมุ่งกันและกันว่าเป็นพานนะคือก็ต้องการจะโชว์ทิฏฐิของตัวเองเนี่ยนะเมื่อต้องการจะโชว์ลทัทธิทิฏฐิของตัวเองก็เข้าไปสู่ประชุมชนก็ มุ่งจะบอกว่าของแกมันเลวเนี่ยนะนั่นก็คือหาหาความผิดพลาดของของอีกฝ่ายหนึ่งนะคล้ายๆกับประชุมสภาสมัยเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องบอกว่าทางโน้นมันเลวยังไงไม่ดียังไงเสียหายยังไงนะแปลว่าขุดคุยความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งที่สุดเท่าที่จะทําได้พราผะะ น, นสมรภาร์เหล่านั้นอาศัยสิ่งอื่นแล้วย่อมกล่าวถ้อยคําคัดค้านกันเป็นผู้ใไขความสรรเสริญกล่าวว่าตนเป็นคนฉลาด แต่ว่าที่ทําทั้งหมดเนี่ยก็ต้องการจะชูว่าตัวเองเนี่ยฉลาดต้องการคํายกย่องสรรเสริญเนี่ยนะที่ทำก็คือต้องการคนยอมรับนั่นแหละถามว่าคนยอมรับดียังไงเนี่ยนะ ก, ก็การที่คนอื่นยอมรับมันเป็นที่มาแห่งลาบสการะชื่อเสียงสรรเสริญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องโชวลทัทธิโชวทิฐิกะ น, น้อยคําว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นใคร่วาทะได้แก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นใคร่วาทะต้องการวาทะ ประสงค์วาฒนมุ่งหมายวาฒนเที่ยวสแสวงหาหวาฒน์คำว่าเข้าไปสู่บริษัทได้แก่เข้าไปอย่างลงเข้าถึงเข้าหาคาตยะบริษัทพรามบริษัทเครหบดีบริษัทสมณบบริษัทเนี่ยนะเรียกว่าประมวลประชุมชนขึ้นเป็นผู้กลับเป็นคู่ปรับย่อมมุ่งกันและการว่าเป็นพานนีแ่แหละก็ คำว่าคู่ปรับก็คือเป็นคนสองฝ่ายเป็นผู้ทําความทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายว่าอีกฝ่ายนี่ะเหมือนกับมวยเหมือนกับฟุตบอลเนี่ยนะก็หมายมั่นกันทั้งสองฝ่ายทําความอื้อเช้ากันทั้งสองฝ่ายทําความวิวาทกันทั้งสองฝ่ายก่อที่ก่อกันทั้งสองฝ่ายมีวาทะกันทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันทั้งสองฝ่ายสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมุ่งกันและกันคือดู เห็นและดูเพ่งดูพิจารณากันและกันโดยความเป็นคนพาลนะนะอีฝ่ายหนึ่งอ่ะพาลพาลนี่แปลว่าโง่นะฝ่ายเป็นคนเลวเป็นคนเลวซามเป็นคนต่ําช้าเป็นคนลา ม, มกเป็นคนสกปรกเป็นคนต่ําต้อยก็เลยเรียกว่าเป็นผู้กลับคู่ปรับมุ่งหมายกันแล้กันว่าเป็นพาลเรียกว่าสันหาถ้อยคํามากล่าวว่าฝ่ายนั้นเลวมากไม่ดีโง่เขา ทิฐิอันนั้นไม่ได้ไปเจริญหรอกมันดีแต่ชั้นอยู่คนเดียวนี่แหละทิฏฐิชั้นนี่แหละประเสริฐที่สุดทิฐิอื่นไม่ใช่มาคําว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาศัยสิ่งอื่นแล้วย่อมกล่าวถ้อยคําคัดค้านกันมีความว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาศัยด้วยดีพัวพันเข้าถึงติดใจน้อมใจถึงสิ่งอื่นคือศาสดาธรรมะที่ศาสดากล่าวคณะสงฆ์ทิฐิปฏิปทาและมักเป็นยึดถือลัทธิ าศาสดาคําสอนของาศาสดาหมู่คณะของตัวเองอย่างเต็มที่เลยมั้นมันก็ความทะเลาะกันความหมายมั่นกันความแก่งแย่งกัน ว, วิวาทการความมุ่งร้ายการเรียกว่าถ้อยคําคัดค้านกันอีกอย่างหนึ่งถ้อยคําที่ไม่มีน้ํามี น, มนวลเรียกว่าถ้อยคําคัดค้านกันคําไม่มีน้ําไม่มีนวลก็คือคําพูดแบบอะไรแบบมะมะนาวไม่มีน้ําอ่ะนะคําพูดอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าก้นทิมเลยนะ พูดให้อีกฝ่ายหนึ่งในสอึกที่สุดเท่าที่จะเท่าดะทำได้อะพูดให้เขาเจ็บที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นแหละผนสัมมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวพูดแสดงแถลงซึ่งคําคัดค้านกันคําหมายมั่นกันคําแก่งแย่งกันคําวิวาทกันคํามุ่งร้ายกันเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาศัยสิ่งอื่นแล้วก็กล่าวถ้อยคําคัดค้านกันนะยืนอยู่ในลัทธิของตัวเองแหะใครจะเขยื้อไปไหนไม่ได้ทะเลาะกันอยู่นั้นแหะ แต่ว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะก็ใครใครความสรรเสริญก็เลยกล่าวว่าตัวเองนี่เป็นคนฉลาดที่ทำแบบนั้นก็ทำให้ต้องการให้คนอื่นเขายกย่องนับถือนั่นแหละว่าเป็นผู้ใครความสรรเสริญต้องการความสรรเสริญประสงค์ความสรรเสริญมุ่งหมายความสรรเสริญเที่ยวแสวงหาคำสรรเสริญอยากให้คนอื่นเขายอมรับอยากให้คนอื่นเขานับถืออยากให้คนอื่นเขายกย่องนั่นแหละก็เลยกล่าวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฉลาด ก็คือบอกว่าตนเนี่ยเป็นคนฉลาดตนเนี่ยเป็นบัณฑิตตนเนี่ยเป็นนักปราชญ์ตนเนี่ยมียานตนเนี่ยเป็นผู้มีเหตุตนเนี่ยเป็นผู้มีลักษณะตนเนี่ยเป็นผู้มีกระด้วยลัทธิของตนเพราะต้องการคายกย่องก็เลยอวดกล่าวว่าตัวเองเนี่ยฉลาดนะนะถ้าบอกว่าตัวเองเป็นคนฉลาดก็แสดงว่าคนอื่นนี่มันโง่นะนะมันสรุปว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นไครวาทะนะ แต่ว่าต้องการโต้แย้งอ่ะเข้าไปสู่บริษัทที่เป็นคู่ปรับมุ่งกันและกันว่าเป็นคนพานสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาศัยสิ่งอื่นแล้วย่อมกล่าวถ้อยคำคัดค้านกันเป็นผู้ใครความสรรเสริญกล่าวตนว่าเป็นคนฉลาดก็ต้องการจะดูหมิ่นคนอื่นว่าเลวตัวเองก็ต้องการคำยกย่องแล้วก็ยกตัวว่าเป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตนะ ชนผู้ประกอบถ้อยคําในท่ามกลางบริษัทเมื่ออยากได้ความสรรเสริญย่อมเป็นผู้ลั่งเลใจย่อมเป็นผู้เก้อเขินเมื่อถ้อยคําของตนเนี่ยถูกคัดค้านตกไปย่อมขัดเคืองเพราะความติเตียนย่อมเป็นผู้สแสวงหาช่องทางแก้ตัวสมมุติถ้าเมื่อมีการไปประคารรมกันเนี่ยนะคือถ้าเป็นที่อินเดียเนี่ยนะสมัยโบราณเนี่ยเขาจะชอบเอาวาฒหมาชนกัน ใครจะเก่งกว่ากันในเรื่องลัดทิศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็โตแย่งกันด้วยลัดทิอย่างเงี้ยนะแต่ที่ทําทั้งหมดก็ต้องการได้คํายกย่องคาอําสรรเสริญนะะเหมือนกับต่อยมวยก็ต้องการเข็มขัดนั่นแหละถ้าฟุตบอลก็ต้องการเหรียญไอ้ต้องการอะไรถ้วยเป็นต้นนะเพระอันนี้นก็เหมือนกันไอ้ที่ประคารลมก็ต้องการคสาสรรเสริญเสร็จแล้ว้ก็ลังเลใจว่า เ, เราจะชนะหรือเราจะแพ้เนี่ยนะก็สงสัยอยู่เหมือนกัน ทีนี้ถ้าต่อสู้กันเนี่ยนะด้วยวาทะชเชื้เชิญกันด้วยวาทะเสร็จตัวเองแพ้ล่ะก็เก้อคินเนี่ยนะคอตกแล้วก็โกรธเนี่ยนะพอแพตัวเองก็โกรธใช่ไหมพอโกรธอย่างนี้เข้าโกรธคนอื่นที่เขามาติเตียนตัวเองนะก็สแสวงหาช่องทางแก้ตัวละจะเอาคืนมันได้ยังไงเนี่ยน ะ, น ะ, นะที่แสวงหาแค่ตัว